บุกทูสามสิบแปดทรตอุมในรถแท็กซี่วถแท็กซี่แท็กซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับเบโมลม повикайте едно такси. Ве молам, п о в и к а ј т е едно такси. Паи стаани, рака тоа лаи, кра. Колку чини до железничката станица? Колку чини до железничката станица? Паи снаам бин, рака тоа лаи, кра. Колку чини до аеродромот? กู๋กูจีนี่โดไอโรดรูมอตการุณาตรงไปครับรพราวนับเพรทมลั ม, า ม, ลมการุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับอวเดดสนอวเดดีโมูลำการุณาเรี้ยวซ้ายตรงหัว ม, มุมครับ ตามู่าเอาลอลวันากลอดนาเลวโมลัมผมรีบบุรบรษัมผมมีเวลายัสอมมิมยัสยมมวิเมกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับเบโมลัม วุ้เวมูลำวุ e นเอเตปูพุเลกาคารุณาจอดรถที่นี่ครับจ๊าสตานเอเตอว์เดมูลำจ๊ามูรุนารอสักครู่นะครับมม เดี๋ยวผมกลับมาครับยัส yes, ายเสรขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับผมไม่มีเงินทอนยส yes. ยสนิ m มัมสิทหนไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับ ვაკა ე დ ო ბ რ a უ o ტ ა ტ ო კ ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ ვოზეთემე ნ ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับออขับไปส่งผมที่ชายหาดครับขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ